ขอรอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นสตตาปรพระปุพาสิกขาและปุพาสิกขาวันน า, นาพระอมราภิระกิตะอมโรเกิดวัดบดมีว่ารจนาต่อไปก็จะเป็นนิสักยะปิจตีวัดที่สองโกศยวัคในโกศยวัคที่สองประดับด้วยสิกขาบท โกศิยสิกขาบทที่หนึ่งสิกขาบทต้นความว่าพิสุไดยหล่อเองหรือให้เขาหลอซึ่งสันทัดเจือด้วยไหมแม้สักเส้นหนึ่งปลิวมาตามลมตกลงในเวลาหลอสันทัดนั้นเป็นนิสักคีต้องปาจิตติสันทัดนั้นคือเครื่องลาดอย่างหนึ่งที่เขาเอาขนเจียมหรือเส้นไหมลากซ้อนกันขึ้นในพื้นที่เสมอแล้ว เอาน้ำข้าวเป็นต้นเทลงกระทำชื่อว่าหลอไม่ได้ทออันนี้เรียกว่าสันถัดที่นั่งที่นั่งที่เป็นขนสัตว์หลอด้วยน้ำข้าวหรือว่ายางเหนียวแล้วก็ใช้หล่อเอาไม่ได้ทอนี่ก็เป็นอิติกาแต่ว่าท่านไม่ได้แสดงสมุทฐานไว้ว่าสิกับบทข้อไหนที่ไม่ได้ปฏิบัติแล้วเนี่ยท่านจะไม่ได้แสดงละเอียดแสดงย่อยๆนะต่อไปเป็นสิกับบทที่สองชื่อว่า สุทธาการะสิกขาบทความว่าพิจุใดหล่อเองหรือให้เขาหลอ่อซึ่งสันถัดด้วยขนเจียมที่ดำล้วนไม่มีสีอื่นเจือด้วยสันถัดนั้นเป็นนิสุกีต้องตาจิตตีสมุทฐานอะไรก็คงจะเหมือนกันเดี๋ยวท่านคงจะบอกดุดีอย่างจบในทเวภาคะสิกขาบทที่สามความว่าพิตุจะหล่อเองหรือให้เขาหลอ่อซึ่งสันถัดใหม่พึงถือเอาขนเจียมดำล้วนสองช่าง ขนจียมขาวช่างหนึ่งเป็นที่สามขนเจียมเหลืองช่างหนึ่งเป็นที่สี่าำขาวเหลืองนะจริงๆแล้วในตะติยดกใช้แดงนะ่ะขนจีมดำร้อยสองส่วนเนจีมขาวในส่วนที่สามขนเจียมแดงในส่วนที่สี่นะไถวันี่ไดนบอกว่าใช้ขนจียมเหลืองเป็นที่สี่ผสมการหล่อเข้าถ้าภิกษุไม่ช่างเอาขนเจียมเป็นสี่ส่วนดังนี้ และให้เขาหล่อสันถัดขึ้นใหม่สันถัดนั้นเป็นนิสักทีต้องปฏิตีก็แลสันถัดที่เป็นนิสตักทีทั้งสามอย่างนี้แม้ที่จดเสียสละแล้วได้กลับคืนมาจากบริโภคก็ไม่ควรใช้ไม่ได้เอามาใช้ก็เป็นอบัตต้อไปทำอย่างอื่นตัทียังจบสิกขาบทที่สามต่อไปก็เป็นฉับพัสสิกขาบทที่สี่ความว่าพิจูหลอเองหรือว่าให้เขาหลอซึงสันทัดใหม่ขึ้นแล้ว ตึงทรงไว้คือบรลปโภคให้ได้หกปีก่อนถ้ายังไม่ครบหกปีพิสูจสละเสียก็ดีไม่สละเสียก็ดีซึ่งสันทัดนั้นและหลอเองหรือให้เขาหลอก็ดีซึ่งสันทัดใหม่อื่นขึ้นอีกในภายในหกปีสันทัดใหม่นั้นเป็นนิสกีต้องตาจิตตีเว้นไว้แต่พิสูจเป็นไข่ได้สันทัดสมมติไม่เป็นอวบไม่สามารถที่จะเดินทางได้มีพิสูจนป่วยรูปหนึ่งก็ ญาติบอกให้เดินทางมาจะดูแลให้ผว่าใช้ไม่ได้หรอกไม่มีสันทัดแล้วไม่สบายว่าพุทธเจ้าก็ไม่อนุญาตให้รอใหม่ด้วยเพราะยังไม่ถึงหกปีแต่ว่าถือว่าไปไม่สะดวกเพอสันทัดพับไม่ได้แข็งๆแล้วนะพุทธเจ้าก็เลยอนยุญาตตอนหลังก็ทูลพุทธเจ้าพุทเจ้าก็อนุญาตว่ายกเว้นพิกสุ ป, ป่วยถ้ามาขอสันทัดสมมติก็ไปที่ไหนก็ไปรอที่นั้นได้ใช้ได้อันนี้ก็จบสิกบวรที่สี่ นิสิตนะสันตัดสิกขาบทที่ห้าความว่าพิกสุลลอเองหรือให้ขอหลอซึ่งสันตัดสําหรับรองนั่งที่มีชายพึงตัดเอาสันตัดเก้าให้กลมหรือเป็นสี่เหลียมด้วยคือพระสุคตหนึง่งมาผสมเข้าด้วยในประเทศอันหนึ่งแห่งสันตัดใหม่หรือสางออกผสมเข้าเพื่อจะทําสันตัดใหม่ให้เสียสีถ้าพิสุไม่ทําเช่นนั้นและหล่อเองหรือให้เขาลอซึ่งสันตัด สำหรับรองนั่งใหม่ขึ้นสันถัดนั้นเป็นนิสกีต้องปายจิตตีปัญจมังจบถ้าจะทําสัญถัดใหม่ต้องเอาสัญถัดของเก่าเนี่ยนะโดยรอบคืบหนึ่งเนี่ยเอามาผสมไปตัดมาแล้วก็ามาผสมทําใหม่ไม่งั้นก็ของเก่าวัดทิ้งไปถ้าหกปีใช้แล้วเนี่ยทิ้งไปเสียเพราะปราักว่าผู้เจ้าก็ให้เอามารีไซเคิลแต่ว่าเอามาเฉพาะคืบหนึ่งคือพระทศ ต, ตัดโดยรอบสันถัดเก่าเนี่ย สมหรือสี่เหลี่ยมก็ตามต่อไปในเอลกักรโรมัสสิกาบทที่หกความว่าพิกสุเดินทางไปเดินทางไกลเนียนะเดินทางไปขนเจียมเกิดขึ้นแต่ตรงหรือว่าคณะเป็นต้นเมื่อจํานองอยู่ก็พึงรับขนเจียมนั้นรับแล้วเมื่อคนผู้ช่วยนําไปไม่มีพึงนําไปด้วยมือของตนเองไกลเพียงสามโยชน์เป็นอย่างยิ่งถ้าเธอนําไปไกลยิ่งกว่าสามโยชน์เลยแม้คนผู้ช่วยนําไปไม่มี คนเจียมนั้นก็คงเป็นนิสกีต้องอบดับปายจิตตีฉัดถังจบคนเจียมก็คือขนสัตว์นั่นแหละถ้ามีคนเขาถวายจะไปด้วยมือตนเองสามโยต์เกินไปก็ต้องอบดับนิสกีประจิตตีต่อไปในเอรักโรมะโทวาปณะสิกขาบทที่เจ็ดความว่าภิกตุใดใช้นางภิกษุณีที่อุปสมบทแล้วในสงฆ์สองฝ่ายผู้ไม่ชีญาติให้สัก หรือให้ย้อมหรือว่าให้สางซึ่งขอนเจียมขอนเจียมนั้นเป็นนิจจคีต้องภาจิตตีสัตตมังจบเจ็ดสิกขาบทที่กล่าววั น, นี้ปัจจุบันนี้ก็ไม่ได้ต้องอะนะเพราะว่าไม่ได้ใช้สันทัดกันแล้วอ่ะนิกตูนีก็ไม่มีแล้วนั่นก็เลยไม่ได้แสดงอะไรละเอียดอะไรมากต่อไปสิกขาบทที่แปดนี่แหละต้องประจําเลยต้องกันเยอะด้วยโดยสุดสมัยปัจจุบันนี้รูปิยะสิกขาบทที่แปดความว่า เทิพซูใดรับเองหรือให้เขารับซึ่งรูปยะคือเงินและทองที่เขาให้หรือตกอยู่แห่งใดแห่งหนึง่งไม่มีเจ้าของห่วงกว็ดีถือเอาเพื่อประโยชน์ตนเองหรือยินดีรูปยะที่เขาเก็บไว้ให้ก็ดีรูปยะนั้นเป็นนิสสคีต้องภาจิตตีทองรูปพันก็ดีทองแท่งก็ดีเงินก้อนก็ดีเงินรูปประพันก็ดี กะหาปาัญหาปดีมาสกทองแดงมาสกทองเหลืองมาสกทำด้วยไม้มาสกทำด้วยครั่งกวาดีและวัตถุอันใดใช้ซื้อหาแลกเปลี่ยนได้แทนเงินในประเทศใดในการใดดังเหรียญทองแดงใช้แทนเงินในสยามประเทศนี้ชื่อว่าเงินในประเทศนั้นสมัยนี้ก็เป็นเหรียญเงินหรือว่าธนบัตรนั่แหละแบงค์ร้อยแบงค์ห้าร้อยแบงค์พันตัวนี้ก็ เป็นรูปียะหมดสรงเคราะห์เป็นรูปียะหมดแม้กระทั่งพวกเช็คอะไรต่างๆเหล่านี้เรใช้ซื้อหาแทนกันได้ในการนั้นก็ชื่อว่าเงินในประเทศนั้นในการนั้นทองและเงินเหล่านี้เรียกว่ารูปียะเป็นนิสกิยะวะัตถุส่วนพวกแก้วมุกดาแก้วมณีแก้ ว, กวไยทูนสังที่เขาขัดแล้วสีลาที่เป็นเครื่องประดับแก้วประพานแก้วทับทิมโมรา ข้าเปลือกเจ็ดประการธาตุชายธาตุหญิงไร่นาที่ดินสวนดอกไม้ผลไม้เป็นต้นเหล่านี้เป็นทุกกฎวัตถุเป็นวัตถุแห่งทุกกฎถ้าใครไปรับก็ต้องเอาวัตถุ ก, กฎเทก่ยงตูถือเอาเพื่อตนเป็นทุกกฎสําหรับพวกวัตถุแห่งทุกกฎทุกกฎวัตถุเนี่ยส่วนพวกได้ปานผ้าฝ้าอะปรนชาติทั้งหลายพวกทั่วนะพวกทั่วนาต่างๆเทสตัด มีเนยใสเนยก้อนหรือเนคนเนี่ยเป็นต้นเหล่านี้เป็นกัปปิยวัตถุเพีกยุถือเอาไม่เป็นอาบัตพวกนี้สามารถรับได้ในนิสตกียวัตถุเพี้ยงุรับเองหรือให้ผู้อื่นรับเพื่อตนหรือเขาเก็บไว้ให้ต่อหน้าว่าของนี้เป็นของพระผู้เป็นเจ้าหรือของนั้นอยู่ที่รับหลังเป็นแต่เจ้าของสลัให้โดยกายและวาจา หรือด้วยกายวิการให้รู้ว่าเงินทองของข้าพเจ้ามีอยู่ณที่นู้นเงินทองนั้นจงเป็นของท่านเถิดดังนี้ภิกษุไม่ห้ามเขียนด้วยวาจาก็ชื่อว่ายินดีรูปิยะที่เขาเก็บไว้ให้เป็นนิสักิยะปะจิตติยังไม่ทันรับเงินดับทองเลยนะเกลงแต่ว่าเขาถวายให้ด้วยวาจาเขาบอกว่าเขาจะเก็บไปให้เท่านั้นเทาน่านี้เขาสละแล้วเท่านั้นเท่านี้ภิกษุยินดีก็ต้องเอวันนิสักียะปะจิตติเลย นับตามวัตถุนั้นรูปิยะเป็นนิสักขีเช่นนี้แล้วพึงเสียสละในท่ามกลางสงอย่างเดียวด้วยคำว่าอาหังพันเตรูปียังปฏิกะเฮติ่งอิดังเมพันเตนิสักขยังอิมาหัางสังคาสนิสัชามิดังนี้ก็คือข้าพระเจ้าเนี่ยรับรูปิยะข้าแต่ท่านผู้เจริญข้าพเจ้าสระรูปิยะนี้ ข้าพเจ้าสระอรูปยะนั้นแก่สงสละในถ้นกลางสงถ้ามีเครหัส์ผู้หนึ่งมาในที่เสียสละนั้นให้สงพึงว่าแต่เขาว่าท่านจงรู้ของนี้อบอกว่ายอมยมมาดูนี่หน่อยอจงรู้สิจงรู้ของนี้ถ้าก็ถามว่าด้วยของนี้จะให้เอาอะไรมาพิกจุยาพึงบังคับว่าให้เอาสิ่งนี้สิ่งนี้มา อย่าไปบอกเขาบอกไปเอานั่นมาไปเอานี่มาพึงบอกแต่ของที่ควรว่าเนยไส้น้ํามันเป็นต้นเป็นของควรแก่พิจุถ้าหากว่าเขาหัดนั้นเขาหาของที่ควรด้วยรูปียะนั้นพิจุทั้งปวงพึงแจกกันบริโภคได้เว้นแต่พิจุผู้รับรูปียะผู้เดียวไม่ควรบริโภควัตถุสิ่งใดที่เกิดแต่รูปียะนั้นแม้ผู้อื่นได้มาถวายก็ดี โดยที่สุดแม้แต่เงาต้นไม้ที่บังเกิดแต่รูปียะนั้นก็ดีพระภิกษุผู้รับรูปียะนั้นไม่ควรบริโภคเลยไม่นควรใช้ถอยจะเป็นน้ำตาลน้ำพึ่งน้ำอ้อยที่เขาไปซื้อหามาด้วยเงินที่พระภิกษุรับมาแล้วก็เสียสละประสงแล้วเนี่ยพระภิกษุอื่นฉันได้แต่พระภิกษุนี้ฉันไม่ได้แม้กระทั่งพวกสัตว์ร้ายพวกลิงพวกอะไรขโมยไปแล้วแล้วได้กำลับคืนมาก็ห้ามฉันอีกไม่ควรบริโภค เงาต้นไม้หรือว่ากุติวิหารอะไรต่างที่รับมาด้วยเงินกับที่สุผู้รับนั้นนีคนบริโภคทั้งนั้นก็ถ้ากรหัตผู้นั้นเขาไม่อยากจะเอารูปิยะไปซื้อสิ่งของมาเล่าไซให้สงพึงวานเขาว่าท่านจงทิ้งของสิ่งนี้เสียถ้าเกิดไม่ไปเอากับยะวัตถุมาถวายนะก็บอาไปชิ้งถ้าเขาทิ้งเสียนะที่ใดที่หนึ่งหรือว่าเขาถือเอาไปเสียก็ดีอย่าพึงห้ามเขาเลยก็จะเอาเอาไปเยอะ เพราะว่าเงินตอนนี่เป็นงูพิษสาหรับสมณะสาหรับพิสูนถ้ากระนั้นเขาไม่ทิ้งไซสเขาก็ขี้เกียจทิ้งสงพึงสมมติพิสูจที่พร้อมด้วยองค์ห้าให้เป็นผู้ทิ้งรูปยะกิสูจผู้ได้สมมตินั้นอย่าทำนิมิตหมายที่ตกพึงเกลียดดังคูดนะให้เหมือนกับอุจระเลยนะแล้วก็คว้างรูปิยะนั้นไปถ้าเธอนั้นทานิมิตหมายที่ตกไซส์ต้องอบัตทุกข์กด ห้ามดูห้ามมองห้ามรู้ว่าตกตรงไหนมันก็เวียงเวียงเวียงเวียงไปหลับตาเวียงไปเดี๋ยวป้องกันอากุศลจิตคิดสติเกตมาใช้ในรูปิยะเปนติกะปาจิตตีจะรู้หรือไม่รู้หรือว่าสงสัยก็แล้วแต่ถ้าไป็รับแล้วก็เป็นตาจิตตีหมดไม่ใช่รูปียะแต่สําคัญว่าเป็นรูปิยะหรือว่าสงสัยและรับหรือว่ารับนีษษิสักยัวัตถุเพื่อผู้อื่นนะ มีสงและเจดีเป็นต้นหรือว่ารับทุกกฎวัตถุเพื่อตนและเพื่อคนอื่นก็ดีเหล่านี้เป็นทุกกฎถ้ารับนิตส ก, กียาวัตถุเงินทองเพื่อตอนเองนี่อบัติปฏิจตีถ้ารับเพื่อผู้อื่นจะเป็นสงเจดีหรือว่าเป็นใครก็แล้วแต่อัตตทุกกฎหมดเขาถวายรูปิยะหรือเขาเก็บไว้ให้ในที่ต่อหน้าหรือรับหลังว่าของนี้จงเป็นของของท่านถ้าพิกจุยินดีด้วยจิตอยากจะถือเอาอยู่ แต่ห้ามเสียด้วยกายหรือว่าวาจาว่าของนี้ไม่ควรหรือไม่ห้ามด้วยกายวาจามีจิตอันบริสุทธิ์อยู่ไม่ยินดีด้วยคิดว่าของนี้ไม่ควรแกเราก็ดีอย่างนี้ก็ควรไม่มีโทษไม่เป็นอบัตถถ้ายินดีด้วยทวันใดทวันหนึ่งถ้ายินดีแล้วไม่ห้ามด้วยทวันใดทวันหนึ่งนี่อ ბ ัติ์นศักยปฏิถ้าเขาให้เราเนี่ยนะเขาเก็บไปให้หรือว่าเขาบอกว่าให้ ถ้าใจยินดีต้องห้ามในกายหรือวาจาก็ไม่เป็นอบัติแต่ต้อไม่ห้ามในกายวาจาใจยินดีนี้เป็นอบัตพิสุถือเองหรือว่าให้เขาถือเอาทีรุปิยะที่ตกอยู่ในภายในอารามหรือภายในที่อยู่แห่งตนด้วยคิดว่าของผู้ใดผู้นั้นจักมาเอาไปดังนี้โดยในในรัตนสิขาบทก็ดีพิสุบ้าเป็นต้นกดีเหล่านี้ไม่เป็นอับั ต, ตของตกในวัดนี้ต้องเก็บไว้ให้เจ้าของขนะ กัาบทข้อนี้เป็นสาระนิติกะนะใช้ให้รับก็เป็นอภัตติด้วยมีองค์สามก็คือของนั้นเป็นทองและเงินที่เป็นนิสตกิยวัตถุนิสตกิยวัตถุทั้งหมดจะเป็นเงินเป็นทองเป็นรูปิยะอะไรก็แล้วแต่ข้อที่สองก็คือเจาะจงให้เป็นของตัวรับเพื่อตัวเองตรงนี้เป็นนิสตกิยาปฏิตรีรับเพื่อคนอื่นแล้วทุกกดไปรับเองหรือว่าให้เขารับคือว่าเขาเก็บไว้ให้ยินดีเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะ รับเองหรือว่าให้คนอื่นรับก็ตามหรือว่าเขาเก็บไว้ให้หก็ยินดี น, นี่ก็เป็นองค์อย่างหนึง่งร้อมด้วยองค์สามนี้จึงเป็นอิจติยะปรารจิตตีสมุดฐานวิธีเป็นต้นก็เหมือนกับสันจริดตักทิศาบทเลยก็คือสมุดฐานหกเลยนะแต่ว่าเป็นอจิตกะแปลงแต่สิทวิขบวนนี้เป็นสิยากิริยาบางครั้งก็ต้องพระธรรมเพราะต้องด้วยการรับและ เป็นสิยาอคิริยาเพราะต้องด้วยไม่ทําซึ่งการห้ามซึ่งรูปยักษที่เขาเก็บไปให้เป็นติยากิริยากับสิยาอคิริยาบางครั้งต้องเพราะรับบางครั้งก็ต้องเพราะไม่ห้ามก็เป็นอจิตกะเป็นโนสัญญาอิโมกแล้วก็เป็นจิตสามเลยนะจิตสารเวทนาสามแหละกายกรรมกิีกรรมอัทธมังจบ ต่อไปในรูปิยะสัพโยหาระสิกขาบทิก้าความว่าที่สุใดซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยรูปิยะมีประการต่างๆของนั้นเป็นนิสสกีต้องไฟจิตตีพระองค์ทรงห้ามการรับนิสสกีวัตถุและทุกกฎวัตถุด้วยสิกขาบทก่อนพระองค์ทรงห้ามการแลกเปลี่ยนนิสสกีวัตถุและทุกกฎวัตถุด้วยสิกขาบทนี้คือรับมาแล้วเดี๋ยวจะเอาไปแลกไปเปลี่ยนอะไรก็อ่าถ้าซื้อขายนี่ก็ตอนบัตรข้อนี้นะ ครับตามบทข้อที่แล้วเพราะเหตุนั้นพิฆตุเอาทุกกฎวัตถุซื้อแลกเปลี่ยนทุกกฎวัตถุและกับพิยวัตถุก็ดีเอากับพิยวัตถุแลกเปลี่ยนทุกกฎวัตถุก็ดีอย่างนี้เป็นทุกกฎตแลกพิฆตุเอานิสกิยวัตถุซื้อหาแลกเปลี่ยนนิสกิยวัตถุหรือทุกกฎวัตถุหรือกับพิยวัตถุก็ดีหรือเอาทุกกฎวัตถุและกับพิยวัตถุแลกเปลี่ยนนิสกิยวัตถุก็ดี เหล่านี้เป็นนิสกียะตายิตีของที่ได้มาเป็นนิสกีพึงเสียสละในท่ามกลางสอ์อย่างเดียวและพึงปฏิบัติในของที่เสียสละแล้วดังในสิกขาบทก่อนทิกสุบ้าเป็นต้นไม่เป็นอบัติเป็นอนานติกะอันความนี้เป็นอนานติกะเพราะว่าใช้ให้เขาไปถือแลกเปลี่ยนอันนี้ตัวเองไม่ต้องอบัตข้อนี้แต่ว่าไม่สมควรหรอกแต่ว่าคนที่ไปแลกเปลี่ยนเองต้องอบัติ ตอนนี้เป็นอนานนติกะมีองสองก็คือของแทีแลกเปลี่ยนมาก็ดีของที่แลกเปลี่ยนมาก็ดีทรัพย์ของตนที่จะเอาไปแลกเปลี่ยนก็ดีข้างใดข้างหนึ่งเป็นรูปียะเป็นนิสติกิยะวะัตถุหนึ่งประดิษฐ์ก็คือสำเร็จในการซื้อขายแลกเปลี่ยนกันพร้อมด้วยองสองนี้จึงเป็นนิสตักีสมุดฐานวิธีเป็นต้นเหมือนด้วยสิกขาบทกรแปลงใจสิขาบทนี้เป็นกิริยา ก็คือเกิดแต่การทําซึ่งการแลกเปลี่ยนถ้าจะแลกเปลี่ยนให้ถูกต้องก็เรามีสิ่งนี้แต่ไม่ต้องการสิ่งนี้เราต้องการสิ่งนั้นต่อไปกะยศวิทยาศาสตรสบทที่สิบความว่าเพี้ยสุดใดซื้อขายแลกเปลี่ยนกับพิจวัตถุด้วยกับพิยาวัตถุข้อที่เก้านี้เอานิสสพิจวัตถุหรือว่าทุกดวัตถุนี่นะไปแลกเปลี่ยนกับทุกขกดวัตถุหรือว่ากับพิจวัตถุก็แล้วแต่เอาสิ่งที่มันผิดพระวินัยเนี่ยไปเปลี่ยน กับวัตถุที่ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องก็แล้วแต่กับปิยยะหรือกับปิยปยะไปแล้วแต่นี่นะข้อที่เก้าแต่ข้อที่สนี่เอากับปิยะวัตถุไปเปลี่ยนกับกับปิยะวัตถุนะมีประการต่างๆมีจีวรเป็นต้นกับครห่ขัดของนั้นเป็นนิักขีต้องปาจิตตีเที่ยงุกกล่าวกับครื่อัดว่าท่านให้ของนี้ด้วยของนี้ก็ดีท่านเอาของนี้ไปให้ของนี้แก่เราเอาของนี้แลกกับของนี้ก็ดีเอาของสิ่งนี้ไป ทรงทำของสิ่งนี้ให้แก่รากรดีดังนี้เป็นต้นต้องทุกกฎถือเอากับยพัน์แห่งผู้อื่นมาชื่อวซื้อให้กับยพัน์ของตนไปชื่อวขายเพราะเหตุ น, นั้นพิกตุให้กับยพันธ์ของตนไปแล้วถือเอากับยพัน์อันใดของครหัดพ้นจากธรรมิทั้งฆะแม้เป็นมารดาบิดาก็ตามนะจะเป็นมารดาด้วยวาจาเป็นคําแลกเปลี่ยนกัน กัิยาพั์นั้นเป็นนิสตักขีพึงเสียสละวัตถุเป็นนิสตักขีนั้นแกสงหรือแก่คณะหรือแก่บุคคลเพราะมันเป็นกัปยาวัตถุไม่ต้องเสียสละแก่สงอย่างเดียวถ้าเป็นพวกอกักกัปยาวัตถุกัปยาวัตถุที่เป็นเงินทองพวกนั้นต้องเสียสละแก่สงอย่างเดียวที่ตุให้ของกินหรือวัตถุสิ่งไรแกร่กระหัตกล่าวว่าท่านจงกินสิ่งนี้หรือถือเอาสิ่งนี้แล้วเอาของนี้มาให้เรา หรือทำสิ่งนี้ให้เราแล้วใช้ให้เอาน้ําย้อมเป็นต้นมาก็ดีหรือให้ทําบริหารมีธรรมกรกเป็นต้นและให้และให้ทํานวกรรมมีชำระพื้นดายญ้าเป็นต้นเช่นนี้ถ้าของจะพึงเสียสระมีก็พึงเสียสระกรถ้าของไม่มีก็พึงแสดงอาบัตตายจิตติอย่างเดียวเพราะฉะนั้นไปใช้เขาทํางานโดยเอาของไปแลกเนี่ยนะก็ยังผิดพวินัยเลยจริงๆแล้วก็ไม่ต้องแลกขอโอยมกินนี่ไป กินไปแล้วก็โยมมาทำหัตถกรรมให้หน่อยนะไม่ได้แรกนะขอหัตถกรรมนี้ไม่เป็นไรถือว่าใช้ก็ได้ถือว่าเป็นลูกศิษย์ล้วก็ใช้ทางานก็ได้ภิกษุถามราคาว่าของนี้ราคาเท่าไรบดีปราถนาจะถือเอาพันฑะแต่มือผู้ใดเว้นผู้นั้นเสียให้ผู้อื่นโดยสุดแม้เป็นลูกของเจ้าของพันฑะนั้น วานให้เป็นกับบิยกรกแลกเปลี่ยนแทนว่าท่านจงเอาของนี้แลกของนี้มาให้เราดังนี้ก็ดีและกล่าวให้พลกัยวิกยะดังพิกตุเดินทางไปมีแต่ข้าวสารจะต้องการเข้าสุกว่ากะเจ้าของข้าสุกว่าข้าวสารของเรามีอยู่เราหาต้องการไม่เราต้องการด้วยข้าวสุกอย่างเนี้เขาเรียกว่ากับพิยาวาจาในการแลกเปลี่ยนว่าดังนี้และเจ้าของข้าสุกเอาเข้าวสารไป ให้ข้าวสุแก่ที่สุกดีพีกตุบ้าเป็นต้นกดีเหล่านี้ไม่เป็นอบัติทิศขาบทข้อนี้ก็เป็นอนานติกะใช้ให้แลกเปลี่ยนนี้ไม่เป็นอบัติมีองค์สามก็คือของของตอนที่จะเอาไปแลกกด็ดีของของผู้อื่นที่ตนจะแลกมากด็ดีทั้งสองนี้เป็นกับปิยพันธ์เป็นของที่สมควรแต่ว่าเอาไปแลกกันด้วยวาจาที่ไม่สมควรก็เลยไม่ถูกต้องเจ้าของพันธะนั้นเป็นขึ้นหัด ไม่ใช่สัทธรมิกถ้าเป็นสัทธรมิก็แลกเปลีนกนได้นมีปัญหาข้อที่สามก็คือแลกเปลี่ยนด้วยอาการดังว่าแล้วก็คือไม่ได้ใช้กัปปิยะวาจาใช้วาจาที่ไม่ถูกต้องพร้อมด้วยองค์สามนี้จึงเป็นนิสกีวิธีใช้นอกนั้นก็มีดังกล่าวแล้วในรูปิยะกิขาบทก็คือเป็นสัญจริตาสมุทฐานเป็นโนสัญญาวิโมกอาจิตกาสัญกรรมอจิกรรมยิตฐาเวทนาสาคำนะ เป็นปัณิติวัชะถ้าสมางจบดุติโยวัคโคจบนะจบภาคที่สองภาคที่สามก็เอาไว้ต่อในวันพรุ่งนี้ก็แล้วกันก็ขอให้ท่านทั้งหลายได้จัดทาในพระรัตนะตรยัยอบรมตรยจิตหาเพื่อจะรู้แจ้งอริยสัจธรรม ก, กระทํากิจของสมณะ ก, กระทํากิจของผู้ที่เป็นพุทธศาสนากชนก็คือกระทํางตามกรรสอนพระสัจจะตื้นกรรมสอนนัรรน้นก็สอ่องคลอยอยู่ในศีลสมาธิปัญญาขอให้เจริญด้วย สี่สมาธิปัญญาโอรปรมินสี่ห้าพระห้าพอชงเชดแลก็อริยามารมณ์ของแต่ตัตถุอริยสัจสัจธรรมจะได้พ้นจากวัฏฏะทุกเสียโดยเร็วพลันสาธุสาธุสาธุ